ช่วงนี้เรากล่าวถึงปัจจัยแห่งบารมีซึ่งเป็นปัญหาที่หกเนี่ยนะที่ถามว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งบารมีจะบอกว่าอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีอภินิหารนั้นก็คือการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่มีองค์ประชมอันประกอบไปด้วยองค์8ด ทีนี้ถามว่าแล้วเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอภินิหารมีอะไรบ้างท่านบอกว่าปัจจัยสี่เหตุสี่พะละสี่ทำหน้าอัศจรรย์สี่กรุณาและปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งอภินิหารอภินิหารนี้เป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการสร้างบารมีทั้งสิบแล้วก็ยังมีพุทธภูมิอีกสี่ก็เป็นปัจจัยแห่งบารมี อัธยาศัยหมีเนคขมัตอัธยาศัยเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วก็อัธยาศัยในการสร้างบารมีสิบก็เป็นอัธยาศัยแห่งบารมีตลอดจนถึงการพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมีพิจารณาอนิสงค์แห่งการสร้างบารมีการพิจารณาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมี อข้อความในปรกรณะคถาจริยาปิดอกหน้า596กล่าวถึงว่าการพิจารณาโทษแห่งการไม่สร้างบารมีและก็อนิสงฆ์แห่งการสร้างบารมีตามลําดับเช่นทานบารมีเป็นต้นนะเนี่ยมันในเรื่องของการให้ทานหรือการสร้างทานบารมีจะต้องรู้ว่าโทษของการไม่ให้ทานนี่มีอะไร และอ น, นิสงส์แห่งการให้ทานอ น, นิสงส์แห่งการบริจาคเป็นอย่างไรท่านการ God, พิจารณาโทษแห่งการไม่สร้า ง, งบารมีพิจารณาอนิสงส์แห่งการสร้างบารมีคุณธรรมเหล่านี้นก็เป็นปัจจัยแห่งบารมียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่ให้ทานสมมติถ้าหากว่าไม่ยอมให้ทานไม่มีการให้ทานเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าการไม่ให้ทาน การไม่รู้จักให้เป็นการนำมาซึ่งความพินาศมากมายล้วอายากการไม่ให้คือการสร้างความพินาศให้แก่ให้แก่ใครให้แก่ผู้ไม่ให้นผู้ใดที่ไม่ยอมให้ผู้นั้นก็สร้างความพินาศหรือวินาศให้แก่ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะว่าเสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลายไอการที่ไม่ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นความเสียหายเป็นความพินาศ อย่างเช่นคนที่ไม่มีการให้เนี่ยนะวัตถุทั้งหลายที่น่าปรารถนาเขาจะมีได้ไหมนะวัตถุทั้งหลายที่น่าปรารถนาไม่ว่าจะเป็นที่ดินเนี่ยนะคนที่ไม่เคยให้ทานมาเลยจะมีที่ดินเป็นของส่วนตัวสักผืนหนึ่งมัางัหมบางทีเ็าบอกว่าแผ่นดินที่ซุกหัวนอนยังหาไม่ได้เขาว่างั้นพันนั้นเป็นโทษของอะไรเป็นโทษของความตรนีแม้กระทั่งเลือกสวนไรนาทั้งหลาย ก็หายากบางคนเนี่ยนะเกิดมาเช่านาเขาทําตั้งรุ่นบนรรพบุรุษมาจนถึงเลนยังไงก็เช่าเขาตลอดไปเพราะอะไรก็เพราะไม่เคยให้ทานมาที่นาที่สวนเช่าเขาทั้งปีเนี่ยนะไม่รู้เจ้าของก็จะยึดเอาวันไหนก็ไม่ทราบเตรียมที่จะถูกไล่ที่ได้เลยนะี่ยเตรียมถูกไล่แล้วก็ย้ายพผนิจรไปจําได้ไปอินเดียครั้งแรกขึ้นรถไฟจากกรลการตาไปลงที่ ใกล้ๆปัตตนาเนี่ยนะก่อนถึงปัตตานีมันจะมีสถานีรถไฟแห่งหนึ่งอยู่ตรงนั้นใกล้ๆที น, นี้พอลงรถไฟก็มานั่งรถทัวร์มากลางคืนขณะที่นั่งกลางคืนเนี่ยนะตีสี่ตีห้าเนี่ยมันยังมีประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งกําลังเดินนะขับไอ้พว ก, กขับเกวียนบ้างไอ้พวกก็ทูลของเต็มหัวเดินทางได้รับคําบอกเล่าจากแขกบอกว่า พวกนี้เป็นพวกไปเที่ยวเช่านาเขาทำนะไปเช่านาเขาทําว่าสำหรับปีไหนที่ดูว่าเขตไหนทําท่าว่าฝนจะตกดีพวกนี้ก็จะไปขอเช่านาทําค่าจ้างถูกมากเนี่ยนะค่าเช่าถือว่าแบบอะไรนะปกตินั้นค่ะว่าถ้าแบ่งมีสามส่วนเนี่ยนะเจ้าของจะได้ส่วนหนึ่งคนที่มาเช่าจะได้สักสองส่วน ทีนี้ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคนละครึ่งหรือว่าคนเช่าได้นิดเดียวพวกนี้ก็พอเช่าทํานาเสร็จมันก็อบพยบไปเรื่อยๆๆยๆ เ, เ, เ, เ, เนี่ยนะอพยพบางทีไปทั้งช่วงกลางวันไปช่วงกลางคืนเนี่ยนะฝนตลบอบวนไปหมดพวกนี้หาที่ทํากินยากเนี่ยนะแล้วก็คิดดูนะว่าอพยพแบบชนิดที่เรียกว่าต้องเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวทูนหัวไปด้วยอะ่ะเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะกินอย่างไรนั่นเป็นโทษของการไม่ให้เนี่ยนะอาหาร ก็ว่ามือที่ท้องมันอิ่มเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงท้องพร่องอยู่ตลอดเวลาเงินเนี่ยนะบางเขาเขารู้จักแต่ว่าเงินบาทไอ้เกินกว่าบาทไม่รู้จักยังไงนะบางคนเนี่ยรู้รู้ใครว่าปริมาณแก้วแหวนเงินทองบางคนเกิดมาไม่รู้ว่าทองสีมันเป็นยังไงเคยเห็นแต่ในป้ายแต่ว่าเอาทองมามาแปะติดเนื้อติดหนังก็เข้ามั่งไม่มีโอกาสสักสักทีเลยก็มีบางทีแม้กระทั่งโคกระบือเป็นต้นนี่ก็หายา ก, ยาก ข้าทาสกรรมกรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพันผู้ที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะจะเสียหายจากที่ดินไม่มีแม้กระทั่งที่ดินทํากินที่สวนทํากินแก้วแหวนเงินทองถ้าหากว่าต้องใช้แรงงานสัตว์เป็นต้นแม้กระทั่งโคกระบือเป็นต้นก็ไม่มีทุกอย่างทําเองหมดเพราะไม่มีแม้กระทั่งค้าทาสกรรมกรคนใช้หญิงชายเป็นต้นก็ไม่มีทุกอย่างก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ บางพวกก็เรียกว่ากำพร้าแม้กระทั่งไม่มีคู่ครองรัดเสไปในจร อ, อดอยากขาดแคลนไปตลอดไปเนี่ยนีอันนี้เป็นโทษของการไม่ให้ทานทีนี้อาการไม่ให้ทานใหม่ๆเนี่ยนีการไม่ให้ท า, า, านใหม่ๆคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นผลของการให้ทานมาในอดีตปกติแล้วผลของการให้ทานก็เต็มไปด้วยทรัพย์สินเป็นต้นทีนี้อาการที่ไม่รู้จักให้ทานเต็มไปด้วยการทําทุจริต วัตถุทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของที่เป็นสาธารณภัยแก่ราชรภัยและโจรภัยเป็นต้นทีนี้คนที่ไม่เคยให้ทานเนี่ยนะคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้เนี่ยนะถึงจะมีบ้างคนอื่นอาจจะให้มาบ้างก็มีอยู่คนหนึ่งก็พอมีเงินเป็นหมื่นเลยนั่งรถไปเนี่ยนะ พอมีเงินหมื่นก็ลงรถก็หมดเงินหมื่นเหมือนกันพวกเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะบางพวกนี้ก็เรียกว่ากลับจากต่างจังหวัดมันทางานในเมืองเลยนะพอกลับไปถึงบ้านหมดตัวพอดีมันขามาอย่างไรขากลับไปถึงบ้านก็เช่นนั้นเนี่ยนะพราะโจระไผ่เอาไปหมดเลยเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ให้ทานเนี่ยเดือดร้อนมากแม้กระทั่งจะได้อะไรซากอย่างก็ต้องไปทะเลาะวิวาท ต้องไปทะเลาะวิวาทกับเอากับคนอื่นต้องไปแย่งชิงต้องไปเรียกว่าต้องไปรบราข้าวฟันไปแย่งไปชิงไปทะเลาะเบาแว้งจากคนอื่นพันผู้ที่ไม่ให้ทานนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เป็นของที่เป็นสาธารณะแก่ราชภัยโจรภัยเป็นต้นพอจะเริ่มมีที่มีทางก็ถูกยึดหมดแล้วอย่างนั้นถูกเขาริบถูกเขายึดไปหมดพอเริ่มจะมั่งมีอะไรบ้างกับเขาก็มีแต่การทะเลาะวิวาท มีแต่ค่าศึกมาแก่งแย่งแล้วก็สิ่งที่ตัวเองพอจะมีกับเขาบ้างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆมันมีที่ดินเยอะมากเป็นพันไร่ในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะทำอะไรได้มีสาระไม่มีแกนสารมีอะไรก็มีแต่สร้างความเสียหายให้หรือบางทีเนี่ยนะคนที่ไม่เคยให้ทานมาท่านบอกว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเบียดเบียนหรือต้องเบียดเบียนผู้อื่นจึงจะได้มา อ่างที่เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมว่าอาหารแต่ละมือของผู้ที่ไม่ให้ทานมานี้เป็นยังไงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นมานะได้มาด้วยกายทุจริตบ้างได้มาด้วยวจีทุจริตบ้างน่นะนะทําความชั่วทางกายเช่อมตานาติบาตจึงจะมีอาหารเต็มท้องจะต้องอธินนาทานไปลักไปขโมยจึงจะได้กินเป็นต้นน่นนะต้องไปมูสาต้องไปหลอกไปอะไรเข้ามาจึงจะได้อยู่ได้กินก็ต้องเรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นไปทําบาปทํากรรมจึงจะได้มา สรุปว่าแม้กระทั่งบางคนที่ได้มาก็เน็ตเนยก็รักษายากเนี่ยนะรักษาไม่ได้เลยพอจะเริ่มมีก็เสียหายไปหมดพอเสียหายตัวเองก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความโศกเพราะไอ้ความไม่มีเนี่ยนะพออะไรมันจะทุกข์ยากเท่ากับคนจนไม่มีแล้วไอ้คนที่พูดคำว่าเกิดมามันพูดแต่คาเดียวเนี่ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเนี่ยนะเต็ไมไปด้วยความทุกข์แต่ผู้ที่ ให้ทานมาเป็นอย่างดีมีการให้มีการบริจาคสร้างสมบุญกุศลมาเป็นอย่างดีเป็นอย่างไรท่านบอกว่าผู้ที่เจริญกุศลได้เป็นอย่างดีนะนะั้นรักษากุศลสังสมกุศลไว้ดีเนี่ยนะของเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นสาธารณของผู้อื่นเขาเคยมีอย่างโชติยะเศรษฐีเนี่ยนะนะโชติยะเศรษฐีเขาบอกว่าไอความที่ทำบุญมาดีเนะี่ย นิ้วแหวนอยู่ในนิ้วเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ประสงค์จะให้ก็ไม่มีใครถอดออกจากตัวได้บางคนนี่มีทรัพย์ขนาดนั้นนะมีบุญขนาดนั้นทรัพย์นี้ก็เป็นไม่ไม่เป็นของที่เรียกว่าทั่วไปแก่ผู้อื่นขณะเดียวกันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่า mm hmm. เหตุที่ทําให้ไม่มีการให้ทานคืออะไรทําไมคนจึงให้ไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะให้ได้การให้นี่เสมอด้วยการรบ ธรรมะท่านบอกว่าเพราะความตรนีนั่นแหละเพราะความตรนีมีใจห่วงแหนยึดติดติดข้องแปลกนะว่ามหาพูดของที่จะให้ทันก็คือมหาพูดเท่านั้นแหละมันยิ่งติดมันยิ่งมันยิ่งไม่มีถ้ายิ่งให้และยิ่งมีมันแปลกนะไอ้ามหาพูดเนี่ยถ้ายิ่งติดห่วงแหนจนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละเลยอมไว้งั้นแหละถามว่ามีจะดีขึ้นไหม ยิ่งเสียหายฉันใดผู้ที่ไม่ให้ทานก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกความตระหนี่ครอบงำเมื่อมันถูกความตระหนี่ครอบงำตัวเองเนี่ยจะต้องดูแลปกปักรักษาก็ต้องทะเลาะวิวาทมีแต่ฆ่าศึกสัตรูต้องปกปักคุ้มครองร้รองให้นั่นแหละทีนี้ถามว่าเมื่อมีใจหมกมุ่นอยู่ด้วยวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นที่ตัวเองยึดติดด้วยความตระหนี่เกิดที่ไหนดีท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดใน อาบายบอกว่าหาแทบตายเราหรือบางคนนี่หาจนตายมีสิ่งที่หานั่นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ตายอย่างที่ว่าโอ้เกิดมาชีวิตชาตินี้ขอให้มีบ้านกับเขาสักหลังหนึ่งเถือ่อนนะจนได้บ้านหลังหนึ่งพอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตายพอดีถามว่ามีไหมอันนี้ไม่ได้เล่าหลอกนะเนี่ยมีเรื่องจริงพอได้บ้านเข้าไปอยู่ในบ้านไม้กี่วันตายไปแล้วเอาไหมมีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตาย หาจนตายบางั้นแล้วมีบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายบางค น, นยโอยฝันอยากได้รถกับเขาสักคันหนึ่งในที่สุดพอได้รถมาก็ไอรถคันนั้นแหละพาตายตายแล้วจะไปไหนดีบางที่าบางทีหวงแหนจนไม่สามารถเจริญบุญกุศลอะไรได้ไอความยึดติดในในวัตถุทั้งหลายความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรส โพธภาภะแล้วก็ไปทําบาปทำอกุศลรกรรมด้วยความตณีห่วงแหนได้มาแล้วก็ห่วงเหมือนกับว่ากลืนไว้เบ็ดเสร็จอ่ะนะภา ษ, าษาธรรมะเรียกว่ากลืน่นหมายก็ว่ารวบไว้เลยว่าเป็นของเราของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ของคนอื่นคนอื่นห้ามมายุ่งห่วงแหนเหมือนกับอะไรเคยเห็นพวกตัวต่อไหมพวกตัวต่อหรือพึ่งอ่ะนะมันห่วงรังมากมันบินว่อนอยู่นั่ น, น, นแหละมันจะไปไหนไม่ได้ มันยึดติดเป็นห่วงแหนใครอย่ามายุ่งตรงนั้นเด็ดขาดเคยตัวแตนเห็นไหมตอนที่เราไปหอมผ้าพระเจดีมีแตนอยู่รังหนึ่งนะดีมีใครไปกัะเถือนอย่านั้นกัดรับบวมแป้งหมดนะมีพิษสงร้ายแรงมากตัวนี้เดียวบางคนเนี่ยตัวแตนต่อยเนี่ยแพ้ตายเลยก็มีนั่นเป็นเพราะความอะไรความตะนี่ความห่วงแหนยึดมันยึดยึดยึดมันยิ่งยิ่งติดเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าจะได้เจริญขึ้นนะ ของในโลกนี้มันมันคือมหาพูดอย่างที่ว่ามหาพูดไม่ใช่ของใครอย่างแท้จริงผู้ใดมีบุญก็เอาของดีๆไปใช้ใครหมดบุญก็ไอของดีนี่แหละจะพาเสียละ่ะประมาณวัตถุเหล่านี้ผู้ที่ไม่ให้ไม่บริจาคไม่เสียสละเลยนะนะอย่างสมมุติถ้าหวงแหนตัวเองหวงแหนมากมันเหมือนกับว่า อ, อีกาตัวหนึ่งนะหรือนกแรง้งหรือนกอะไรสักตัวหนึ่งไปได้โก้นเนื้อมาก้นหนึ่ง มันคาบเอาไว้บินอยู่คาบอยู่มันไม่ยอมแบ่งให้ใครถามว่ามันจะเป็นยังไงนกตัวอื่นกระมุที่ตาแสดงความยินดีด้วยนะที่คุณดนเนื้อก้อนโตโตบินมาบอกไม่มาถึงจิกซ้ายจิกขวามันไม่ปล่อยเลยไอ้ปลาก็จิกหน้าจิกหลังจิกจหน้าบวมหมดเลยนะก็ต้องขายตัวใหม่ก็คาบออกไปใหม่มันก็ลักษณะนั้นนะที่มาของการทะเลาะวิวาเป็นต้น นั้นคนที่ไม่มีการให้เนี่ยนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความลาบากถ้ายิ่งไม่ให้เท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นพรานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นโทษของการไม่ให้เห็นโทษของความตรณีท่านเลยทำความไม่ประมาทในการบริจาคทำความไม่ประมาทในการให้เพราะว่าการบริจาควัตถุเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความสุขสวัสดีเนี่ยนะ เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญอีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะให้ทานเนี่ยนะต้องมีปัญญาพิจารณาว่า น, น, นโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะบอกว่าผู้ขอเมื่อขอย่อมเป็นผู้คุ้นเคยของเรา น, น, นให้ให้ของแก่ผู้ใดไปรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับผู้นั้นขณะเดียวกันคนขอคนที่มาเอ่ยปากขอกับเรา เขามาบอกความลับของตัวของเขาให้เราฟังเขาบอกความลับอะไรเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาตนีมากมากเขาห่วงแหนเขาให้อะไรไม่ได้เลยยิ่งยึดติดมากไอ้ความที่เขาห่วงแหนมากขนาดนี้แหละเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยมาเอ่ยปาก ข, ขอบอกความจริงให้ฟังว่าอดีตตนีจรงิจรงๆเลยขี่เหนียวจนถึงขนาดว่าให้อะไรไม่ได้ฉนั้นคนมาขอก็เท่ากับมาบอกความลับว่าตัวเองในอดีตตนีมากนะเนี ขณะเดียวกันเขาก็มาบอกเขามาแนะนำเราด้วยมาแนะนำแกเราว่าท่านจงละความตนีเธอถ้าท่านไม่ละความตนีท่านจะเป็นเช่นข้าพระเจ้าทั้นของเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าท่านให้ท่านมีการบริจาคท่านมีการเสียสละของเหล่านี้ก็จะเป็นทรัพย์ของท่านต่อไปในภาคหน้าเนี่ยนะท่านเอาไปใช้ในพบต่อต่อไปได้มีถามว่าเอ๊ะชาติหน้ามันมีจริงหรือ เช้านั่งรถมายอมเขาถามและชาติหน้ามันมีจริงหรือเขาว่างกันก็เป็นคําถามที่เรียกว่าน่าคิดว่าไอชาติหน้ามีจริงหรือเอาอะไรเป็นตัวรับรองว่าชาติหน้ามีจริงใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าก็รู้จะรู้คือคือมันก็เหมือนกับแบบเหตุผลโดยสถิติทั่วไปเนี่ยทําไมเราจึงรู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงทําไมเราจึงบอกว่าพรุ่งนี้มี อา้าวมันไม่เห็นมีเลยพรุ่งนี้ตอนนี้มีไหมพรุ่งนี้เราเชื่อไหมว่าปีหน้ามีไม่เห็นมีเลยปีหน้าอยู่ตรงไหนเอาแล้วเราโดยโดยใช้วิชาอะไรทําไมเราจึงรู้ว่าปีหน้ามันมีอยู่จริงแล้วหน้าอากาศร้อนขนาดนี้ยังจะมีหน้าหนาวได้หรือเชื่อได้ยังไงว่าต่อไปมันจะมีหน้าหนาวเป็นต้นอ่าโดยสถิติโดยข้อมูลโดยเหตุผลนั่นแหะนะบางอย่างเนี่ยอดีตก็ตามรู้ด้วยปัญญาสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่งที่รู้ด้วย ปัญญาผู้ที่ไม่มีปัญญายอมรับแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าพวกนี้ก็ไ ม, ไม่ไม่กลัวภายในอนาคตเะะนี่ยนะไม่กลัวภัยในอนาคตพันขอเน้นว่าขอให้มีชีวิตเป็นสุขในขณะนี้ก็พอแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำลายตัวเองในอนาคตอนาคตอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้มันอยู่ไกลเลยเนี่ยนะบางคนก็ถามว่าชาติหน้ามีจริงหรืออย่าตายก็แล้วกัน ปัญหาว่าตายแล้วจะเดือดร้อนเกิดมาแล้วมาบ่นนู้ยโทษพ่อโทษแม่โน่นแหละนะว่าพ่อแม่ทําให้เขาจนเนี่ยเกิดมาเขาจนเอาคนอื่นทำไมไม่ไปเกิดกระท้องคนอื่นล่ะอีกในัยยะหนึ่งผู้ที่มีปัญญาเขาจะพิจารณาว่าเมื่อโลกถูกไฟคือชรา ม, มรณะแผดเผาเหมือนเรือนเนี่ยถูกไฟเผา การให้ทานเนี่ยนะเป็นเช่นกับสหายช่วยแบกของของเราออกไปจากโลกนี้เมื่อเรือนที่ถูกไฟไหม้เจ้าของเรือนเนี่ยนะขนอะไรออกไปได้สิ่งที่ขนออกไปได้ขนไปเท่าไหร่เนี่ยนะนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเขาฉันใดเมื่อชีวิตของเราทั้งหลายไฟคือชราไฟคือมรณะเผาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเดี๋ยวก็ตายแล้วเมื่อตายแล้วมีอะไร การให้ทานนี่แหละเป็นสหายช่วยแบกทรัพย์แบกสินแบกอริยทรัพย์ให้เราไปใช้ในพบต่อต่อไปเนี่ยนะคิดดูเวลาเราจะไปธุระสักแห่งไปต่างจังหวัดก็ได้หรือไปต่างประเทศไปสามวันห้าวันเจ็ดวันไปเดือนสองเดือนโอ้ยเตรียมตัวยังกบไปอีกหลายชาติเครว่าไปไม่กี่วันเนี่ยเตรียมเตรียมจริงๆเลยนะโ้ยสำรวจตรวจตราหมดมีอะไรมั่งเข้าของเครื่องใช้เรื่องปัจจัยสี ที่รับที่นอนเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้สอยเครื่องแต่งตัวอู้เตรียมเบเ็ดเสร็จหมดยูกยาเป็นต้นแต่ว่าไอไปแบบไม่กลับเลยไม่ค่อยสนใจหรอกช่างมันเขาบอกกั น, นไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่เนี่ยนะเตรียมก็บอกอ๊ยให้ไปต้งทันหนึ่งเขาบอกกันให้บางคนก็บอกอ๊ยเขาขอรอะไรเท่าไหร่ก็ให้หมดใสซองทีละห้บาทสิบาทมาตลอดเลยตลอดเนี่ยปีละกี่ครั้งหรอครั้งสองครั้งเป็นต้น นั่นแหละเขาทำมากมายเหลือเกินเนี่ยนะเอาทั้งชาติเนี่ยเขาจะกล่าวว่ามีต้นทุนอยู่เท่านั้นน่ะก็นึกถึงว่าโอ้บางคนทําไมประมาทอะไรขนาดนั้นเขาคิดว่าสิ่งของเหล่านี้ถ้าใครไม่รู้จักเตรียมตัวไปเนี่ยนะเราบอกว่าชาติหน้าเดือดร้อนแน่เออถามว่ารู้ได้ยังไงว่าชาติหน้าเดือดร้อนประชาชนในโลกมี5หพันล้านคนเนี่ยคนที่พอจะมีกินเนี่ยนะกับแม่ท้องไม่ค่อยจะอิ่มสักเท่าไหร่หรืออิ่มแบบเหนื่อยเหนื่อยแทบตายเนี่ยนะ หรือบางคนเนี่ยเหนื่อยจนตายเนี่ยอันไหนมากกว่ากันห้าหกพันล้านคนในโลกตอนนี้เนี่ยนะมื้อเย็นๆเนี่ยหิวแก่วท้องเนี่นั่นแหะกับอิ่มๆสบายเนี่ยมีสักกี่คนเนี่ยขณะนี้ตอนนี้เวลานี้คนหิวกับคนอิ่มในในทั่วโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคนอิ่มไม่มากเนี่ยนะคนหิวมีมากกว่าสภาพที่กําลังหิวอยู่ตอนนี้นั้นโดยมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉันถามว่า ถ้าเราให้ทานไม่พอแล้วเราจะทานอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเราให้ทานไม่พอชาติหน้าเราจะกินอะไรถ้าหากว่าเราไม่เคยให้ทานอะไรไว้เพียงพอเนี่ยนะเราจะไปอยู่ที่ไหนที่พักที่หลับที่นอนเราจะเป็นอย่างไรนะที่จริงเนี่ยนะอย่างตึกรามบ้านช่องมันคืออะไรก็คือเม็ดหินเม็ดทรายแล้วมาเรียงเรียงกันเป็นตึกเอคนมีบุญเนี่ยตึกหินทรายมันจะมาเรียงกันแล้วให้อยู่ได้เอ แต่ถ้าคนไม่มีบุญนั้นนอนอยู่บนกองทรายแล้วก็ไม่มีแทบไม่มีอะไรจะคลุมตัวด้วยซ้าไปมันก็อยู่ที่ผลบุญนะแล้วแต่บุญถ้ามีบุญก็มีมีพร้อมที่จะมีใช้ทุกอย่างถ้าไม่มีบุญนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยสั่งสมบุญไม่เคยให้ทานเป็นอย่างดีแล้วพบต่อต่อไปเขาจะอยู่ยังไงเนาหรือว่าสาบแช่งตัวเองขอให้ชาติหน้าไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มหรอก่ากัน ใช้ชีวิตเหมือนปลาปลาไม่เห็นมีเสื้อผ้านุ่งเลยเช่นปลาฉลามปลาวานเป็นต้นไม่เห็นว่าต้องนุ่งเสื้อผ้าเลยใช่ไหมไม่ต้องมีเกล็ดมาปิดตัวเลย เ, เขาก็อยู่ได้กันก็ต้องมีที่หลับที่นอนเป็นแมลงก็ได้เจาะรูอยู่แผ่นดินก็ได้แบั้นคือถ้าหากว่าทําใจได้ขนาดนั้นก็ตามใจนะหรือว่าน้ําก็ดื่มน้ําค้างเอาก็ได้เหมนกันนะบางสัตว์บางประเภทเนี่ยมีชีวิตด้วยการดื่มน้ําค้างนะแทบจะไม่มีน้ําอะไรดื่มอาศัยน้ําค้างเท่านั้นอะดื่ม เรามาคิดพยายามคิดทบทวนด้วยนะว่าเราจะไปตลอดไปเนี่ยนะในพบนี้ที่เราพอจะสามารถจะเตรียมตัวได้เราเตรียมตัวพอไหมเนี่ยนะเตรียมตัวพอไหมมาคิดดูว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านเคยสันโดษในการให้ไหมท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวต่อไปข้างหน้าจะรู้ว่าความเศร้าหมองของบารมีต่อเมื่อจากัดของที่จะให โดยที่สุดแม้กระทั่งจำกัดความคิดที่จะให้นั้นก็เป็นความเศร้าหมองของบารมีแต่นี้ผู้ที่สร้างบารมีนี้รู้เลยว่าการให้ทานเนี่ยนะเป็นสหายช่วยแบกสัมภาระแบกบุญเอาไปในภบต่อต่อไปขณะเดียวกันแม้แต่ผู้มาขอทั้งหลายนาบุญมาให้เราทําถึงที่ะนะเหมือนกับอะไรเราต้องการของที่จะใช้พอดีมีคนหาเร่ของอันนั้นอนะ่ะอย่างดีมาให้เราใช้น่าสนใจหม ชั้นใดผู้ที่มาขอก็เหมือนกันเขาจะมาช่วยให้เราขนทานเจตนาที่จะให้ไปในพบต่อต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ขอนี่นะท่านบอกว่าเป็นกาลยานมิตรอย่างยิ่งผู้ขอนี่นะเป็นกาลยานมิตรของเราอย่างยิ่งเพราะเป็นคนที่ช่วยช่วยให้เราสําเร็จประโยชน์อย่างเช่นการให้เนี่ยนะ ให้ให้กับเดราชาญก็มีอย น, นิสสองร้อชาติใช่ไหมให้กับมนุษย์ทูศีนก็มีย น, นิสส์งพันชาติเขาก็มีลำดับแห่งการอั น, นิสส์แห่งการให้ทานเพราะนั้นการให้ทานผู้ใดให้ประโยชน์เราผู้นั้นเราเรียกได้เลยว่าเป็นกาลยานมิตรผู้ขอทั้งหลายเมื่อไรเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าผู้ขอคือกาลยานมิตรของเราพระโพธิสัตว์ท่านมองเห็นว่าผู้ขอคือกาลยานมิตรของท่านคือผู้ที่จะช่วยทําประโยชน์ให้ท่าน พันธ์เมื่อก่อนในะอย่างเช่นชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะถ้ามีผู้ขอแล้วท่านดีใจมากผู้ขอเนี่ยยังใจให้ปีติของท่านท่านบอกว่าอย่างพระเจ้าศรีวิราตอธิษฐานให้มีตาเพราะอะไรตาคู่หนึ่งเบอกว่าผู้ขอเป็นที่รักของท่านท่านรักผู้ขอมากเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่มาช่วยสร้างบารมีให้ให้เต็มเนี่ยนะพันธ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าสามัญญาสัมเนธความรู้สึกของท่านว่าผู้ขอคือกัลยาณมิตรของท่าน เพราะเป็นสหายแห่งแห่งกรรมงามคือการให้ทานถ้าเขาไม่ต้องการนี่เราจะให้เขาได้ไหมสมมุติว่าอยากจะเลี้ยงอาหารใครสักมือหนึ่งมีใครเขากินให้เราเลยเถอะนะแม่จะเศร้าใจขนาดไหนบางทีเนี่ยอยากจะให้ทานแต่ไม่มีนาบุญไม่มีใครต้องการของของใครเนี่ยนะแม่มันหนักใจเหมือนกันนะบางแห่งเนี่ยไม่มีใครต้องการของของใครคุณไม่ต้องมาเลี้ยงฉันฉันอยู่ตัวของฉันได้ฉันเลี้ยงตัวเองได้คุณไม่ต้องมาเลี้ยงฉันหรอก ถ้าทุกคนไม่รับทานของใครเลยเนี่ยนะแล้วจะเอาอะไรเป็นสเสบียงต่อไปในอนาคตและมีอะไรเป็นเป็นเป็นนาบุญที่จะให้เราไปอยู่ต่อไปในพบต่อต่อไปอันผู้ขอเขาจึงเป็นเพื่อนแท้เนี่ยนะเป็นเพื่อนแท้ที่จะช่วยยังสเสบียงให้เราเนี่ยนะใช้ต่อต่อไปขณะเดียวกันการให้เนี่ยนะเป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิ การให้ทานเนี่ยพูดแบบภาษาสมัยใหม่ก็คือการลงทุนเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการให้คือการลงทุนเพื่อวความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาอะไรมาเป็นฐานที่จะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าการให้นั้นเจตนาที่จะให้นั้นถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้โดยยากอย่างยิ่งพุทธภู ม, มิเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศสูงสุดกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะ ถ้าไม่มีการให้ไม่มีการบริจาคไม่มีการเสียสละเลยเนี่ยแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงเอาอะไรมารองรับพุทธภูมิภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการให้แล้วจะเอาอะไรมารองรับพุทธคุณทั้งหลายนั้นท่านก็เลยตั้งใจน้อมไปในการบริจาคว่าเรียกว่าวยกย่องผู้ขอนะยกย่องผู้ขอว่าผู้นี้ยกย่องเราในกรรมอันยิ่งเพราะว่า เข้ามาขอเราก็แสดงว่าเขาเห็นว่าการให้นี่มันดีกั้เพราะฉะนั้นควรทำความยกย่องนั้นให้เป็นจริงแม้เขาไม่ขอเราก็จะให้เพราะชีวิตของเขาเนี่ยมันแจ้งชัดอยู่แล้วใช่ไหมคนที่เขาเดือดร้อนเกิดมาในโลกที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาประกาศเลยนะอย่างคนยากเท่าไหร่เนี่ยนะใจยิ่งจะไม่มีการให้ยิ่งตระหนี่หวงแหนมากที่สุด เคยสังเกตดูนะขอทานเด็กขอทานมารุมขอทานเนี่ยนะใครที่เขาโยนข้าวให้ข้าวให้ของไปเนี่ยมัน ก, ออก็มันก็ฮุบฮุบเก็บเก็บเก็บมันสุกเอาไว้ไอคนข้างหลังก็มาล้วงเอาไปต่ออีกเนี่ยนะนะมันแค่นั้นนะมันน่าจะแบบคุยกันดีๆนะเอามาตกลงกมาแบ่งกันนะไม่แต่ละคนมันมีแต่ความโลภมีแต่ความสำนว น, ม, นมีแต่ความหิวหิวหิวหิ ว, หวก็เลยอดกินอะไรแค่นี้ปั้น ผู้ที่ไม่ขอเนี่ยนะใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้เขาไม่ขอเราจะหาโอกาสว่าเราจะให้เขาได้อย่างไงคือหาช่องที่จะให้ไม่ต้องพูดถึงว่าเขามาเอ่ยปากขอเพราะถ้าเขามาขอเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างยิ่งผู้ขอเองจากที่เราสแสวงหาด้วยอัธยาศัยอันยิ่งควรให้ด้วยบุญของเราคือคำว่าอัธยาศาัยเราเนี่ยอยากจะให้อยู่แล้วะ ถามว่าเมื่อมีผู้มาขอนี่จะดีใจขนาดไหนเปรียบเหมือนอย่างว่าคนที่เตรียมจะเดินทางเนี่ยนะมีรถแมาอยากจะไปเต็มที่เลยมีรถมาจอดบอกเชิญเธอให้เบาะอย่างดีไปเลยเนี่ยนะถามว่าน่าไปไหมไม่มีโทษด้วยนะฉันใดผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะให้ก็เหมือนกันเขาดีใจมากที่มีโอกาสได้ให้ถ้าไม่ได้ให้นี่สิเดือดร้อนอคนที่ที่เป็นเป็นนักบุญเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาให้เขาจะมีความสุข ถ้าไม่ให้เมื่อไหร่แล้วเริ่มเดือดร้อนแล้วทำเหมือนกับว่าการไม่ให้เหมือนกับการไม่ทำอะไรใช้ชีวิตที่เรียกว่ารอวันตายไปวันวันหนึ่งการอนุเคราะห์ของเรานี้เราทำทั้งหมดมุ่งถึงการให้แก่ยาจกเราควรอนุเคราะห์โลกนี้แม้ทั้งหมดให้เหมือนตัวเราท่านบอกว่าเรานี้จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ เราเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกเหมือนเป็นความทุกข์ของเราเราจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเราจะช่วยให้เขาประสบความสุขได้อย่างไรอีกในหนึ่งก็แนะนำตัวเองว่าเมื่อผู้ขอไม่มีธานบารมีของเราจะเต็มได้อย่างไรจะเต็มได้ไหมถ้าไม่มีผู้ขอไม่มีผู้รับไม่มีใครสนใจเลยนะสมมติแต่เคยคิดแต่ลักษณะนี้ไหมสาหรับบางคนเนี่ยนะสะสมทรัพย์เตรียมไว้จะมอบให้ลูกให้หลาน ลูกหลานมีใครเอาไม่แต่คนเดียวเลยนะของใครก็ของใครไม่เอาฉันก็เลี้ยงตัวเองได้อะไรได้พ่อแม่คิดยังไงเอาอุตส่าห์ทำมาแทบตายแล้วบอกคืนหมดเลยไม่มีเยื่อใยอะไรเลยกับของเราเนี่ยนะฉันใดก็ดีถ้าใครไม่ให้ทานเนี่ยนะไม่มีใจที่คิดจะให้หรือไม่มีใครรับเนี่ยมันจะแห้งแรงแบบนั้นแหละนั้นถ้าไม่ให้เนี่ยนะจิตใจมันเต็มด้วยความแห้งแรงเคยถามโยมคนหนึ่งไโยมเกิดมาในให้ทานากี่ครั้งอ่ะ เฮ้ยครั้งเดียวได้มัง้งว่าไงใส่บาดเด็กสักครั้งหนึ่งได้ทั้งชาติเลยบอกเขาจําได้เท่านั้นนะว่าไงดีไม่ดีไอตอนให้นี่เมาด้วยมัง้งดูท่าล้นะโอ๊ยเมาายื่อไรก็นึกถึงเลยนาอน า, นาคตทุกแน่เพิ่นท่าไม่มีผู้รับบุญของเราจะสําเร็จไหมนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะจะขอบคุณผู้รับด้วยซ้ําไปเพราะว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้ทานเราสําเร็จ ถ้าเขาไม่รับทานของเราจะสำเร็จหรือเนี่ยนะเพราะนั้ น, ะ พ, นพระโพธิสัตร์ท่านบอกว่าเรานิควรยึดถือการให้ทั้งหมดไว้เพื่อประโยชน์แก่ยาจกการให้จะได้ช่วยให้คือถ้าเราช่วยให้ประโยชน์แก่เขาสำเร็จประโยชน์ก็สำเร็จแกเราเมื่อไหร่ยาจกทั้งหลายพึงมาขอเราเนี่ยนะ